สติเป็นเรื่องสำคัญสติที่เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งอันนี้สำคัญมากเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งมันก็เผลอไปอยู่แถวนี้แหละเผลอไปกายบ้างเผลอไปความคิด หรือไปสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินโดยมากนี่มันก็ลงไปกับความคิดนั่นแหละแต่จะห้ามไม่ให้คิดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะที่จะห้ามไม่ให้คิดแต่เท่าทันความคิด อันนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้เวลาที่เรามีสติเป็นสัมมาสติที่มันเท่าทันความคิดเราก็ไม่หลงเข้าไปในความคิดหรือถอนตัวตนถอนความเป็นเราออกจากความคิดผู้เราอาจจะดูซับซ้อนแต่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเราก็รู้สึกได้อยู่ ทุกคนแหละเวลาที่เราคิดอะไรเพลินๆพู้ง่ายก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาที่มีใครมาคุยด้วยหรือเวลาที่เรามีสติเกิดขึ้นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะตอนนั้นมันก็หลุดออกมาจากโลกของความคิด มันก็เป็นอะไรที่เรารู้กันได้อยู่แล้วแหละในสภาวะความเป็นจริงแบบนี้แนะ่ น, นอนโดยมากเลยมันก็เข้าไปในความคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติคอยเห็นกายเห็นใจมันก็ทำให้เราดึงสติให้เราหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้ดี ได้บ่อยขึ้นเพราเวลาส่วนมากคนเราหลงความหลงมันทำงานมันก็หลงไปคิดเนี่ยซะเยอะการที่เราเท่าทันความคิดแล้วก็มีสติดึงใจเราออกมาจากโลกของความคิด สติเราก็มีกำลังมีการรู้เท่าทันความหลงได้ดีขึ้นมันก็จะเห็นได้ว่าคนเราเก่งมันก็เก่งมาจากความล้มเหลวนั่นแหละคนที่มันไม่ล้มเหลวมันมันจะเก่งมันยากอะ่ะเพราะเรารู้ว่าเราผิดพลาดอะไร เราป้องกันความผิดพลาดได้เราก็จะไม่ผิดพลาดซ้ำสองซ้าเก่าอันนี้มันดีแต่ถ้าคนไม่รู้เลยว่าความผิดพลาดคืออะไรมันมันก็ซุ่มเสี่ยงอะเพราะเรายังไม่รู้ว่าช่องทางไหนมันคือช่องทางที่มันจะเป็นช่องทางพลาดพลั้ง ไม่ต้องไปกลัวความล้มเหลวนะความล้มเหลวนี่แหละมันจะนำพาความสำเร็จมาให้เราเราเหยียบย่าทุกเพื่อจะพ้นทุกเราเหยียบย่าทางเดินของทุกเพื่อที่จะไปถึงที่สุดของทุกข์เพราะฉะนั้นเรามีทุกนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องดีการที่เราเห็นทุกเราก็จะไม่ ไม่มัวเมาไม่ประมาทในเหตุเกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เรามีความสุขในการมาคุณอย่างเดียวมีความสุขมีความเพลินมีความมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินมัวเมาความสุขในการทั้งหลายอยู่ไอ้พวกนี้มันก็เป็นโซ่ตรวนที่มันจะคอยคล้องเรา คอยยึดเราให้เรายังอยู่ในวัตฏะอันนี้ไปแต่มันก็ไม่เหมือนโซ่ตรวนที่ผูกกับจองจํานักโทษอะไรอย่างนี้แหละมันเป็นโซ่ตรวนที่คนถูกล่ามคนถูกยึดก็มีความรู้สึกยินดีมีความเพลิดเพลินไปกับมันด้วยมันก็จะต่างกับ โซตรวนของนักโทษน่อันนั้นมันก็เป็นความชั้นฉลาดเป็นความเหนือชั้นของกิเลสที่มันเอากรรมคุณเนี่ยมาแปลงเป็นโซ่คอยผูกยึดเราให้เราเพลิดเพลินยินดีมัวเมาหลงอยู่ไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่อไปพอมัวเมาเพลิดเพลิน ก็ไม่มีความคิดที่จะหลีกออกจากกามด้วยอันนี้มันก็ยิ่งหลายชั้นเข้าไปใหญ่มันเป็นความเทพของโซ่ตรวนันนี้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นเป็นความสุขในทางกามให้เราเป็นความสุขที่มันจะมาผูกยึดเราให้อยู่ในโลกใบนี้ ไม่ใช่โลกที่มันเป็นก้อนดินนี้นะก็หมายถึงโลกวัตะอันนี้กามมาโรครูปโรคอารูปโรคนีนะเพราะงั้นการที่เราเห็นโทษของกามมันก็เป็นสิ่งจำเป็นอันหนึ่งที่จะทำให้เรา หลุดออกจากวัตตะอันนี้เพราะฉะนั้นวันที่พระพุทธองค์ประกาศาศาสนาครั้งแรกก็จึงได้ประกาศสองทางสุดต่งสองอย่างที่บุคคลผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ไม่ควรเข้าไปคล้องแวะสายแรกนี้ก็คือสายกาลนี่แหละ บุคคลที่ยังมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเหตุไม่ให้พ้นทุกข์แต่บุคคลที่เดินออกจากทางสายนี้ทางสายที่ทำให้เราเพลิดเพลินมัวเมาในความสุขทางกามทั้งหลายเราก็จะขึ้นชื่อว่าได้หลุดออกจากทางที่ ทำให้เรามีทุกข์วนอยู่ในความทุกข์แต่หลุดออกจากทางสายนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะเป็นทางที่มันมุ่งหน้าสู่ความพ้นทุกข์ก็ยังไม่ใช่เสมอไปมันอาจจะไปอยูดในทางอีกเส้นหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นั่นก็คือการประกอบตนให้มันลำบากลำบากเปล่า ทำความเพียนมันก็เพียรไปให้มันลำบากเปล่าๆเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความเพียนที่มันไม่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นความเพียนที่มันไม่ได้ทำให้เรารู้ถึงความจริงเกี่ยวกับทุกข์ไม่ได้ทำให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับความดับของทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ความจริง เกี่ยวกับทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกถึงเราประกอบความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่เราไม่เข้าใจความจริงเรื่องทุกขเรื่องเหตุเกิดทุกเรื่องความดับของทุกและเรื่องดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอันนี้ก็ประกอบความเปลี่ยนไปลาบากเปล่าๆไปสุดทางไม่ได้ ซึ่งถ้าเราหลุดออกจากทางสายนี้มาแล้วเราก็มาเดินทางสายที่พระพุทธองค์ต ร, รัสเอาไว้ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางอีกเส้นหนึ่งที่ไม่ใช่สุดโต่งไปทางกามสุดโต่งไปทางทำตนให้ลาบากก็คือออกจากกามแล้วก็ประกอบไปด้วยปัญญาทางเส้นนี้ ที่ไม่มัวเมาในกามแล้วก็ประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาที่จะเห็นแจ้งในถึงความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่ว่ามาแล้วเป็นทางที่เป็นไปเพื่อวิราคายะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นไปเพื่อนิพิทายะคือความหน่าย เป็นไปเพื่อสัมโพธยะคือความรูพร้อมเป็นไปเพื่อความจัสรู้อย่างนี้นะเป็นไปเพื่อนิโรธะเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่ออภินยอยะคือความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อนิปานายะคือความดับไม่เหลือคือนิพพานทางสายนี้ เป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นั่นแหละก็ให้เรามุ่งหน้ามันประกอบจากการที่เราเห็นโทษในการทั้งหลายได้แล้วก็ไม่คลุกคลีด้วยกามไม่มัวเมาเพลิดเพลินในกามแต่ไม่ใช่ว่าไม่เสพไม่เสพ ไ, ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือคนเราเนี่ยมัน มันยังอยู่บนโลกใบนี้เนะี่ยยังไงมันก็ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ใช้ยังไงไม่ให้มันมัวเมามีความเพลินมีความยินดีความสุขในการทั้งหลายอันนี้ต่างหากที่มันที่มันจำเป็นใช้ให้มันพอดีใช้แล้วก็เห็นโทษของมันว่ามันมี ใช้แล้วมันมีประโยชน์จริงเต็เลยไปเนี่ยมันก็มีโทษเหมือนกันถ้าเรามีความยึดติดมีความยึดมั่นมีความถือมั่นเรากะเกณฑ์ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องได้รับความสุขถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ทุก์แน่นอน แต่มันก็พูดยากแหละการที่เราจะเห็นโทษในกามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความสุขในกามเนี่ยมันก็แยบยนมันถ้าเป็นนักต้มตุ น, นี่ก็เป็นนักต้มตุนชั้นเลิศนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ยินได้ฟังคำสอนนะ่ก็เป็นบุคคลที่ ถือว่ามีความโชคดีซึ่งถ้าเกิดไม่มีคำสอนไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะแล้วเอามาบอกสอนว่ากามันมีโทษนะคนเราเนี่ยก็ต้องหาความสุขแต่โดยทางกามโดยฝ่ายเดียวแน่นอนใครมันจะไปคิดว่าการที่หลีกออกจากกามแล้วมันจะมีความสุขได้มากกว่าการเสพกาม ยิ่งการที่เราหลีกออกจากการรมมันก็จะดูเป็นการที่เราขัดทุนด้วยเพราะเราหลีกออกจากความสุขมันต้องมันไม่น่าจะดีสิก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่มามาบอกมาแสดงว่าไอ้กามนี่มันไม่ใช่มีคุณโดยไถ่เดียวนะมันมีโทษนะโทษมากด้วย มีความสุขน้อยมีความทุกข์มากแต่การที่เราได้รับความสุขจากกรามแล้วเนี่ยมันทำให้เราเหมือนเราปิดตาไว้ข้างหนึ่งไม่ค่อยมองเห็นโทษมันเท่าไหร่มีความยินดีมีความยึด ต, ติดมีความผูกติดเราก็พยายามที่จะหาความสุขจากทางกรมอย่างเดียว มันก็เป็นเรื่องยากอะที่จะทำให้คนที่มีความเพลิดเพลินยินดีมัวเมาในกามหันมาหาความสุขที่เป็นประเภทหลีกออกจากกามพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าอ่อนใจและเหี่ยใจเหมือนกันนะว่าทำให้คนที่มัวเมาในกามเพลิดเพลินความสุขในทางกามแล้วเห็นโทษในทางกาม เป็นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นบุคคลชั้นเอกชั้นเลิศในบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายของโลกที่ทำให้บุคคลที่มัวเมาในกามเพเลิดเพลินในกามสามารถเห็นโทษของกามแล้วหลีกออกจากกามได้ซึ่งเหล่าครูพระอาจารย์พระสงฆ์ก็ได้เอาคำสอนอันนี้แหละมาบอก เอาความจริงกันนี้แหละมาบอกแต่จะบอกแล้วมันทราบซึ้งมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บุญวัสนาบา ร, รมีขององค์นั้นๆไปนะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจพื้นเพจจิตใจของผู้ฟังด้วยแต่แน่นอนว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีแล้วที่เกิดมาในทันยุคทัน ยุคที่มีคำสอนถึงแม้จะไม่ทันพระพุทธเจ้าที่ยังมีพระองค์ดำรงชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็มีคำสอนที่พระองค์ประทานเอาไว้เป็นสมบัติแล้วเราก็ได้นำคำสอนนั้ น, น, นเนี่ยมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อที่จะมาหัดแก้ทุกข์ของเรา เราก็โชคดีแล้วที่เกิดในประเทศที่มีคําสอนแล้วก็ยังเป็นคําสอนที่บริบูรณ์บริบูรณ์ดีอยู่แล้วก็เป็นประเทศที่มีผู้รู้ผู้นําคําสอนไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นผลได้ตามคําสอนอันนั้นด้วยเหล่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ที่เราเห็นเห็นกันมาเนี่ย ่นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราในแหละ ว, ว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งแล้วแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ก็มีอยู่เป็นบุคคลที่ยืนยันความดีงามในพระธรรมวินัยของพระศาัาสดาเป็นบุคคลที่เราเห็นแล้วเราก็ เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผลจากการประพฤติตามธรรมวินัยนี้ดีแน่นอนไม่ใช่ดีอย่างที่เขาว่ามันจะดีแต่ดีเพราะมีคนทําให้มันดีได้ปรากฏจริงจริงถึงผลของความดีที่มันปรากฏได้จริงๆมันก็เป็นกาลังใจนี่แหละให้เราได้มุ่งหน้าถึงมันจะ ยากลำบากขนาดไหนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ขอให้มันทำให้มันถูกนั่นแหละทำถูกบ่อยๆมันก็ต้องได้ผลเข้าสักวันหนึ่งแล้วก็การที่เรามาเวลามีเวลาที่เรามาฝึกหัดมีเวลาที่เรามาพูดคุยปรับความรู้ความเข้าใจให้มันถูกตรงถูกต้อง มากขึ้นมันก็เป็นสิ่งดีเป็นช่วงเวลาที่ดีของเราเป็นการกลุยทางไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ของเราแต่ถ้ามันไม่ได้นะ อย่างน้อยๆระหวังสุดปลายทางนี่ถ้าเราวิ่งอย่างมันเต็มที่เนี่ยถึงมันจะไม่ถึงเส้นชัยนียมันก็ไปได้ไกลใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากหวังมากก็ปวดหัวมากเอามันตรงนี้แหละเอามันตอนนี้แหละพยายามทำให้มันดีทำให้มันดีทุกๆปัจจุบันของเราเลมันดีแน่นอน ก็พยายามรักษาสติให้มันเป็นสติที่แจ่มชัดไม่แช่เชยเลื่อนหลงไปไหนให้ความใส่ใจของเราอยู่กับลมหายใจที่อยู่เฉพาะหน้าขณะที่เรามีสติแจ่มชัดอยู่อย่างนี้เนี่ย ก็ขอให้กําหนดลงไปในจิตใจของเราเนี่ยแหละแผ่เมตตาลงไปในใจของเราขอให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลย ขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอย่างนี้ก็ขอให้แผ่เมตตาไปให้ครูบาอาจารย์ของเราทั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วในชาติไหนๆก็ตามเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลย ขะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอยู่อย่างนี้ขอให้แผ่เมตตาไปในมันดาบิดาของเราทั้งในอัตภาพนี้ทั้งในอัตภาพก่อนๆขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลย ในขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอยู่อย่างนี้ก็ขอให้แผ่เมตตาไปในญาติพี่น้องของเราให้บุตรภรรยาสามีของเราทั้งในอัฐภาพนี้ก็ดีอัตภาพ ก, ก่อนก่อนก็ดีก็ให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีความสุข อย่าได้มีทุกข์ใดๆเลยในขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอยู่อย่างนี้ขอให้แผ่เมตตาไปในหมู่เพื่อน ว่าจะเป็นเจ้านายก็ดีลูกน้องก็ดีเพื่อนสมัยไหนไหนของเราก็ดีทั้งอัฐภาพนี้ก็ดีอัฐภาพก่อนก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลย ในขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอยู่อย่างนี้ขอให้แผ่เมตตาไปในบุคคลที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรบุคคลที่ผูกพยาบาทผูกเวรเขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่ผูกพยาบาท ขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลยในขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอยู่อย่างนี้ก็ขอให้แผ่เมตตา ไปสู่เทวดาในชั้นทั้งหกชั้นภูมิมาชั้นจาตุมเรื่อยไปจนนู้นปรณิมมิตวสวดีขอให้เทพเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลย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 ในขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตาอยู่อย่างนี้ขอให้แผ่เมตตาไปในสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เทล่าฉานทั้งหลายขอให้สัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ใดๆเลย ขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยเมตตายอยู่อย่างนี้เราขอให้ทำจิตให้มันกว้างขวา ง, วางใหญ่โตไม่มีประมาณแผ่ไปให้สรรพสัตว์ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้พ้นจากทุกข์